Thank mm -hmm. you.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 เช่นไปเที่ยวไปแหล่งบันเทิงหรือว่าไปเที่ยวห้างจับจ่ายใช้สอยบางคนก็อาจจะเดินทางไปเมือง น, นอกได้ไปเจอสิ่งแปลกใหม่แต่และคนก็ใช้ช่วงเวลา4วันนี้ต่างๆกันไปเรียกว่าคนละทิศคนละทางแต่ว่า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 ดูฟุตบอลทีมระดับโลกมาแข่งเมืองไทยบัตรจะราคาแพงเท่าไหนก็ไปเพื่อให้ได้เสีประสบการณ์สามารถจะไปคุยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะก็เคยดูทีมแมนยูบ้างทีมหรือว่าพูบ้างทีมบาซางมาแข่งด้วยตา ไม่ใช่ผ่านจออันนี้เป็นวิธีของชาวโลกนะก็คือว่าต้องมีเยอะๆต้องมีมากๆแต่มาพิจารณาดูให้ดีๆเนี่ยแค่มีอย่างเดียวก็ไม่ทำให้มีความสุขนะทำไมคนซึ่งมีเสื้อเป็นร้อยตัวมีรองเท้านะ เป็น10สิบคู่หรือว่ามีแผ่น CD แผ่น DVD เนี่ยเป็นพันแผ่นเยอะมากมายขนาดนี้ทำไมเขาถึงอยากจะได้อีกทำไมอยากจะได้เสื้อตัวใหม่ทำไมอยากจะได้รองเท้าคู่ใหม่ทำไมถึงอยากจะได้ CD หรือ DVD แผ่นใหม่ มีเป็นร้อยแต่ยังอยากจะได้อีกตัวหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งหรือทาไมคนซึ่งมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ทำไมเขายังอยากได้อีกแสนหนึ่งเขาได้แสนเขาได้สองแส0เขาก็มีความสุขทำไมเขาไม่หยุดสแสวงหาไม่หยุดซื้ออันนี้แสดงว่า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 เวลาบินธาบาเนี่ยบางทีก็มีหมาตามมามันตามมาอยากได้ข้าวเหนียวก็โยนข้าวเหนียวให้มันกำหนึ่งมันก็งับมันยังไม่ทันเคี้ยวจะมาโ ย, ยนไปอีกกำหนึงอีกก้อนหนึ่งปรากฏว่ามันคลายก้อนเก่าแล้วมันไปคาบก้อนใหม่มนาะ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 เราลองสังเกตดูนะในชีวิตของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะข้าวของที่เรามีอยู่ที่เยอะแยะแต่มันก็พอได้มาแล้วก็เฉยๆแล้วจะมีความสุขกว่ัเงแตเมื่อได้ใหม่และนี่แหละคือทำให้คนเราเนี่ยไม่เคยหยุดไม่เคยพอสักที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 บางคนก็ไม่ว่าจะได้แฟนที่สวยยังไรพออยู่กันไปนานๆก็มันจืดจางแล้วก็อยากได้ใหม่ทั้งๆที่ไอ้ของเดิมที่มีอยู่ก็อาจจะหลายคนแล้วแต่ก็ไม่พออยากได้ใหม่เพราะฉะนั้นสรุปว่าคือว่าวิถีของชาวโลกเนี่ยความสุขอยู่ที่การได้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 ไม่ใช่แค่ผู้รับเท่านั้นที่มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขด้วยการให้ทานเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขไม่ใช่เพียงเพราะว่าได้เห็นคนรับเขายิ้มแย้มจากสิ่งที่เราให้แต่ว่ามันยังช่วยลดความตะนีลดความโลภด้วยก็เคยมีการทดลองนะให้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 หรือช่วยให้ทำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้อย่างไรเสร็จแล้วหลังจากที่ทั้งสองกลุ่มได้ใช้เงินที่ได้มาเ้าก็สอบถามความรู้สึกปรากฏว่ากลุ่มที่สองเนี่ยซึ่งเอาเงินเนี่ยไปทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมหรือให้กับคนที่เดือดร้อนที่จำเป็น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 ไม่ต้องเป็นคนนับถือศาสนาเป็นคนธรรมดาธรรมดาเขาก็จะรู้สึกได้ว่าการสละการบริจาคทรัพย์ที่มีที่ได้มาเนี่ยมันให้ความสุขได้มากกว่าเพราะฉะนั้นการที่พุทธศาสนาเนี่ยอสอนให้เรารู้จักให้ทานเนี่ยนะมันเป็นบันไดขั้นต้นของการมีความสุข ในคำสอนเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิประการเนี่ยทานเนี่ยเป็นข้อต้นเลยเรียกว่าทานน้ำใหม่คือบุญที่เกิดจากการให้ทานหลักโทษพิษราชธรรมสิประการก็เริ่มต้นที่ทานเพราะว่าทานเนี่ยมันเป็นการสร้างความสุขที่ทำได้ง่ายคือสละสิ่งของสละสิ่งนอกตัว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 แกก็อยู่แบบลำบากคนที่เลี้ยงดูแกก็ไม่ได้รักก็ใช้ชีวิตอย่างวิบากลำบากไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่าตอนหลังก็มาทำงานในสำนักเกอิชาตั้งแต่เล็กพอโตขึ้นมาก็ก็ให้ทำงานเป็นเกอิชาชีวิตก็เรียกว่า ลำบากมาตั้งแต่เล็กพอเป็นกีชาก็ไม่ได้มาสะดวกสบายนะถูกกดถูกขีดถูกเหยียดหยามตอนหลังก็น้องชายตายเสร็จแล้วก็คนรักก็ตายสัวชี้นี่มันไม่เหลืออะไรแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตาย ตอนนั้นเนี่ยเกียวโตเนี่ยมันเป็นหน้าหนาวแกก็เลยเดินก็ไปในป่าหิมะกก็กองทับถมกะว่าจะไปตายในป่าทำกลางความหนาวก็มีบังเอิญมีชาวบ้านคุณึ่งไปเจอเข้าแล้วก็ช่วยเขาคุณลุงคนนี้แกก็ ถามว่าทาไมถึงอยากฆ่าตัวตายก็ผู้หญิงก็เล่าให้ฟังว่าไม่รู้จะอยู่ไปทาไมชีวิตนี้มันลำบากแลดแค้นไม่มีคุณค่าแลาลุงนี้แกก็พูดดีนะก็บอกว่าคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอยากตายทั้งนั้นแหละแกบอกว่าเนี่ยอยากจะแนะนำสักอย่างหนึ่งอยากจะแนะนำให้ผู้หญิงเนี่ยคนนี้เนี่ย ทุกวันนะไปช่วยใครสักคนที่เดือดร้อนเอาแค่คนเดียวพอและถ้าช่วยทำไปสักระยะหนึ่งแล้วยังอยากฆ่าตัวตายก็ให้มาบอกแกนะแกช่วยให้ตายสมใจผู้หญิงคนนี้แกช่วยอิวาสกินะแกก็ได้คิดขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนใจกลับไป เป็นเกยชาเหมือนเดิมแต่ว่าทุกวันแกก็จะไปช่วยคนสักคนหนก็เลือกเอาเด็กที่ยากจนที่เคยมีชีวิตแลน์แคดเหมือนแกซื้อหนังสือให้คนญี่ปุ่นนี่ก็ารักการศึกษามากนะอันเด็กยากจนก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แกก็ซื้อหนังสือให้ตอนหลังไม่ได้ซื้อเฉยสอนให้อ่านออกเขียนได้ด้วย แล้วบอกว่าแกก็ไม่คิดกลับไปฆ่าตัวตายกันเลยเพราะว่าแกรู้สึกว่าช่วยแกมีคุณค่ามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอันนี้ก็เป็นที่มาของหนังเรื่องได Diary ก f g e s h าเพราะว่าแกเขียนเป็นบันทึกประวัติส่วนตัวแกแล้วฝรั่งก็เอาไปทําเป็นหนังเป็นเขียนเป็นนิยายแล้วก็ทําเป็นหนังเมื่อสักเกือบสิบปีที่แล้ว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 เป็นนักศึกษาแล้วก็มีช่วงหนึ่งซัมเมอร์นี้เพื่อนๆ น, นี่ไปเมืองนอกกันหมดตัวเองเคว้งคว้า ง, างมีคนชวนไปเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาช่วยเด็กที่บ้านปักเกรดนะศูนย์ปักเกรดนี่มีเด็กที่ถูกทิ้งเป็นจำนวนมากตั้งแต่ 3-4 เดือนไปจนถึงเจแก็ขวบ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 เก็บเอาไว้ประคอบประงมเอาไว้คนชวนให้ให้อภัยก็ก็ไม่ยอมจะขอโกรธต่อไปไม่ยอมให้อภัยการสละความโกรธหรือการให้อภัยเนี่ยก็เป็นวิธีแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะเจ้าเนี่พระเจ้าเนี่ยถึงสอนให้รู้จักแผ่เมตตาแล้วก็ให้อภัย เวนย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรอันนี้ก็เป็นพทุทธพจิตัดไปนานแล้วก็เป็นการสละอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งสำคัญมากที่ช่วยให้เรามีความสุขมีความสงบเย็นหลายคนเนี่ยถือกติว่าบุญคุณต้องตอบแทนความแค้นต้องชาระแก้แค้น20ปีก็ไม่สายอันนี้ก็เป็นความคิดที่ว่ามันต้องเก็บเอาไว้ ไม่เห็นว่าการสละออกไปเนี่ยมันทำให้ใจสงบอย่างไรบ้างแล้วคนที่ไม่รู้จักสละความโกรธหรือความเกลียดเนี่ยนะชีวิตจะจะมันก็ตกนรกเพราะว่าจิตใจก็รุมร้อนหรือว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์ร่างกายก็แย่ความดันขึ้นหน้าดำคร่ำเคร่งงั้งเพียงแค่เรารู้จักสละออกไปนะ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 การเจริญสติการทำสมาธิภาวนาเนี่ยมันเป็นวิธีช่วยให้เราสละหรือว่าสลัดอารมณ์ที่รบ ก, กวนจิตใจได้ดีมากและมันทําให้มีความสุขยิ่งกว่าการที่ได้เสพได้บริโภคในพุทธ ก, กาลนี่มีเรื่องราวของคนจานวนไม่น้อยเลยที่เคยมีชีวิตที่ฟู่ฟืายรูลาร่ํรำรวย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 ทางส ก, กุลศักยะก็อยากจะให้คนในวงตระกูลได้ไปบวชกับพระพุทธเจ้าเจ้าปฏิญาณนี้ก็ก็ไปเพราะว่าเพื่อนชวนแต่ว่าเมื่อได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยก็พวกความสุขวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ลํำพึงขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอมีเพื่อนพระมาเห็นมาได้ยิน ก็สงสัยว่าพระพัิยานี่กำลังคิดถึงอดีตสมัยที่เป็นกษัตริย์เป็นราชาก็เลยไปทูลพระเจา้าสงสัยพระพัตยานีคิดจะศึกแล้วมั้งพระเจ้ารู้นะภูมิธรรมของพระพัตยานว่าที่จริงท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยเรียกมาก็สักถามเพื่อให้พระด้วยกันได้รับรู้นะ พระเทียรก็ตอบว่าเนี่ยที่ว่าสุขหนอสุขหนอเนี่ยนะไม่ใช่ลำพืนถึงอดีตสมัยที่เป็นพระราชาแต่ว่ามีความสุขกับสภาพที่เป็นอยู่นะเพราะว่าสมัยตอนที่เป็นราชาเนี่ยแม้ว่าจะมีฆ่าทาทบริวารมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีองครักษ์ก็ยังมีความสะดุง้งมีความกลัวในพยันตราย แล้วก็ไม่มีความสุขเลยกับบัลลังก์ที่มีแต่ขั้นมามีชีวิตนะเป็นส ม, มณะถือครองบริขารแค่8ดชิ้นอยู่ด้วยบินทบาทวันละมือ้อนะไม่น่าจะสุขได้นะเพราะว่าไม่มีสิ่งเสอะไรแต่มีความสุขเพราะละเพราะได้สลับได้วางให้ความยึดติดถือมั่น เรียกว่าท่านสละกิเลสได้หมดแล้วก็เลยมีความสุขเป็นสุขที่เที่ยมไม่ได้กับตอนที่เป็นพระราชา น, นี่ก็เป็นตัวอย่างคนที่พบความสุขไม่ใช่เพราะการมีการได้นะแต่เพราะการสลัและสิ่งที่สำคัญคือก็สละความยึดติดถือมั่นอย่างที่เราได้ ส่วนห ม, มุนมสักครู่เนี่ยนะเรื่องภารสุตตะการทั้ง5เป็นของหนักเนอร์การสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขของหนักนที่นี่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นของหนักที่เป็นวัตถุนะแต่เป็นของหนักในใจที่เกิดจากการไปยึดไปแบกเอาไว้ยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นของเรานะนี่ร่างกายของเรานี่ทรัพย์ของเรา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 ในร่างกายนี้ว่าเป็นราเป็นของเราหรือไปยึดให้มันเที่ยงในการสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจเรียกว่าปล่อยวางมันเป็นเป็นที่มาแห่งความสุขอย่างแท้จริงการศาส์อย่างสิ้นเชิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตันหาวิชาหรือกิเลสเนี่ยทำให้เกิดความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่รอความสงบ สงบเจ็นชื่อหนึ่งว่านิพพานนิพพานหมายถึงการหมายถึงความสงบเย็นที่เกิดจากการที่ได้สละออกไปนั่นจะเห็นได้ว่าวิถีชาวโลกกับวิถีทางธรรมเนี่ยมันต่างกันตรงข้ามกันเลยก็ว่าได้ในเรื่องความสุขวิถีชาวโลกนี่ต้องมีเยอะๆต้องได้มากๆแล้วต้องได้เรื่อยๆถึงจะมีความสุข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 ไปที่ไหนก็มีคนถวายของประณีตให้ไม่ว่าจะคนธรรมดาหรือว่าเทวดามารพุ่มถวายพระเจ้ายังสู้ไม่ได้เลยเวลาอจาริ์ไปในที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดทางแยกสองทางมีคาหนึ่งทางแยกหนึ่งเนี่ยเป็นทางไกลแต่ว่ามีคนอาศัยอยู่อีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นทางลัดแต่ว่า ไม่มีคนอาศัยอยู่พระเจ้าถามว่าพระเซววลีมาด้วยหรือเปล่าพอรู้พระเระซววลีมาด้วยพระเจ้าตัดสินใจไปทางสายสายที่รัดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีคนอาศัยอยู่หรือเปล่าบอกกับว่าสายนั้นนี่นอกจากจะไปถึงเร็วแล้วคนมาถวายถวายลาบอาหารของปณิท ตลอดทางเลยอันนี้เพราะอนุภาพของพระศิวลีซึ่งพระสุเจ้าเองนี่ก็ทุกสู้ไม่ได้นะแต่ว่าพระสิวลีนี่ท่านมีลาบเยอะยริงแต่ท่านท่านไม่ยึดท่านสละท่านปล่อยวางอนุตตรศาสนาก็ไม่เป็นเสดเรื่องลาบนะแต่ว่าต้องไม่ยึดต้องรู้จักสละออกไปยิงสละเท่าไหร่ ทั้งด้วยอาการกริยรยาแล้วก็ด้วยข้างในใจคือไม่ยึดติดถือมั่นนะก็ยิ่งมีความสุขให้เรารู้จักความสุขแบบนี้บ้างเริ่มจากการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็การบราเป็นภาวนาจเจริญสติทำสมาธิจากแล้วก็ขึ้นวิปัสสนามันก็จะช่วยรื้อถอนช่วยสละกำจัด ความยึดติดถือมันทั้งตัวออกไปแล้วเราก็จะพบกับความสงบเย็นเบาสบาย